บางทีเนาะพวกเราก็แบบมักจะพูดกันหนักใจเนาะหนักใจจังเลยใช่ไหมแบบแวแบบ่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบพวกเราก็รู้กันเนาะ แบบว่าไม่ใช่รู้แต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นคำพูดที่พวกเราก็พูดกันอยู่นะเป็นประจำมันหนักที่ใจนะมันไม่ได้หนักที่กาย่ยางเงี้ยตรงเนี้ยทั้งหลวงพ่ปปเทียนทั้งหลวงพ่อคาเขียนทั้งพระอาจารย์เผสารก็จะบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนาะให้เราแยกเนาะอะไรมันเป็นส่วนของกายอะไรมันเป็นส่วนของใจเนาะ คือถ้าเกิดว่าเราแยกได้ว่าอะไรมันเป็นส่วนของกายอะไรมันเป็นส่วนของใจพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้นะเหตุมันเกิดที่ไหนก็แก้ที่นั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือการหนักอกหนักใจอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ต้องไปแก้ที่เรื่องราวที่เรากําลังทําอยู่แต่ว่าไปแก้ที่ตรงใจเข้าไปตรงนั้นกันเลยอะ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนจากทุกเนี่ยเป็นไม่ทุกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะการทำอยู่ทำกินการกวาดบ้านกวาดช่องการเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพวกเนี้ยพวกเราก็เห็นมันเป็นภาระที่หนักเนาะใช่ไหมอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เหนื่อยนะเหนื่อยมันเป็นเรื่องของกายนะแต่อเหนื่อยใจหนักใจมันเป็นเรื่องของใจกัน ตรงนี้ละมันเป็นเรื่องที่ถ้าพวกเรานะได้ทันเห็นพวกเราก็จะวางมันถูกนะจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเนาะจนกระทั่งเราเนี่ยติดนิสัยนะที่จะกลับมามองดูความเป็นไปของใจเราตรงนี้นะเราก็จะทันเห็นในความหนักอกหนักใจตรงนี้เนาะยิ่งคิดยิ่งปวดหัวเนี่ย จะมายิ่งคิดยิ่งเรื่องมากเนี่ยพวกเราก็เป็นเรื่องที่ระบุลงไปแล้วนะเรื่องมันไม่มีเท่าไหร่แต่ยิ่งคิดนะ่ยมันยิ่งปวดหัวยิ่งคิดนะมันยิ่งเรื่องมากแบบเนี้ยเรื่องจริงๆมไม่มีเนาะเป็นปัญหาที่ความคิดเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าโอ้ลูกว่าคิดก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนเราจะกวาดบ้านก็ดีเราจะทํากับข้าวก็ดีตรงเนี้ยมันก็มีความเคลื่อนไหวกํากับอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว นั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะถ้าหากว่าพวกเรารู้ทันเนาะก็กลับมาตั้งอกตั้งใจกวาดบ้านทํากับข้าวไปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่นี่คือกิจที่เราอะได้ทําอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นกิจที่เราไม่ยินดีทําด้วยเนาะบ้านเนาะเราก็ต้องกวาดเนาะเดี๋ยวมันก็มีฝุ่นเดี๋ยวมันก็มีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เช้าทีหนึ่งเย็นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําอยู่แล้วล ะ, ละแต่ว่าปัญหาก็คือเราอ่ะ ไปเพิ่มภาระในทางความคิดเข้าไปจะมาเอ๊ะทําไมฝุ่นมันมากจังเอ๊ะทําไมผงอันนี้มันมีอยู่ตรงนี้ทําไมมันไม่มีไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะไอ้ทาไมต่างๆพวกนี้ละ่ะมันเป็นเรื่องที่เราไปเพิ่มภาระให้กับตัวเราเองภาระตรงเนี้ยมันเป็นภาระที่พระเจ้าบอกว่าวางเถอนะเนาะอย่างเงี้ยวางซะพวกนี้ละ่ะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าวางไม่ให้เราทําไม่นู่นไม่ให้ทําไม่นี่นะ แต่ว่าไม่ต้องไปเพิ่มภาระทางใจเข้าไปตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทาได้แบบนี้เนาะเขาเรียกว่าเราก็จะเอาธรรมะเนี่ยเข้าบ้านกันเอาธรรมะเข้าไปในบ้านกันตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าเองเนาะก็สันเสริญเอาไว้นะว่าความเป็นแม่เนี่ยเนาะความเป็นแม่ก็เป็นพระอรหันในบ้านเนาะ ตรงเนี้พยพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะไหมแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะที่พระุทธเจ้าได้ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้พูดเรื่องนี้เอาไว้พุทธเจ้าไม่ได้พูดผิดนะเพราะว่าในขณะที่เราเนี่ยได้ทําหน้าที่ของความเป็นแม่เนี่ยตรงนั้นอ่ะเราก็ทําหน้าที่ของการก็เรียกว่าให้อย่างไม่ได้หวังได้การตรงเนี้ยการที่ให้เนี่ยตรงเนี้ยนะก็ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกับเราแผ่เมตตาเหมือนเรากับ เราให้บุญให้กุศลที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังสวดมนต์มีสมาธิเราไม่ได้ทำร้ายเบียดเบียนใครเราก็แผ่ส่วนบุญนี้ให้ไปตรงนเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็ได้ทำอยู่แต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยการที่เราเป็นแม่บ้านการที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ในบ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนสิ่งที่ก็เรียกว่าณขณะที่เราเนาะได้ทาความเป็นแม่จริงๆการเลี้ยงดูลูกหลานเนาะ การเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะว่ามันเช็ดขี้ครั้งนี้เนี่ยจะให้ลูกให้หลานเนี่ยมาชดใช้ให้เราอีกสามครั้งเราก็ไม่เคยคิดนะนั่นก็คือตรงนั้นนะสภาวะนั้นมันเป็นสภาวะที่เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนาะให้เนาะอย่างที่เราไม่ได้หวังได้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่พอเราหวังได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาขึ้นมาทันที นะอยากให้เขาตอบแทนไอ้สิ่งที่เราทำไปไอ้อยากตรงนี้ล่ละที่มันเป็นปัญหากันไอ้สิ่งต่างๆนานาที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันบางครั้งเราก็ไม่เห็นความสำคัญเนาะอย่างที่เช่นเรื่องการทำกับข้าววันหนึ่งทำสองสามครั้งแบบว่าไม่รู้จะทาอะไรดีไม่รู้จะทาอะไรดีเนาะอย่างนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นปัญหากัน แต่ถ้าเกิดว่าเออวันนี้จะทําอะไรดีอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งที่เรามีความรู้กันอยู่เนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เราก็สามารถที่จะดัดแปลงในสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านี้เนี่ยที่มีอยู่ให้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารขึ้นมาหลายรูปหลายแบบพวกเราเองก็เขาเรียกว่าพ่อแม่ก็พาทำกันมาเนะเาะข้าวเหนียวอย่างหนึ่งเนาะหุงก็เป็นข้าวเหนียว เอามาหอก็ต้มนะคลุกมาพร้ามก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างนั้นเอามาทําเป็นข้าวแตนเนาะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเอามาทําำข้าวเกรียบบ้าวใช่ไหมอย่างมันก็เป็นอีกอย่างจะกข้าวเหนียวเนี่ยนะใช่ไหมเราก็ทําได้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรามีความรู้มีความชํานาญตรงนี้เนี่ยเคยมีคนคนหนึ่งเนาะเขาบอกบอกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเนาะถ้าหากว่าเราเนี่ย ทำกับข้าวกินเองเพียงแค่วันละมื้อเดียวนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชีวิตรเราเนี่ยจะดีขึ้นทันทีดีขึ้นยังไงเนาะดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ดีขึ้นทางกายเนาะแบบว่าการที่เราซื้ออาหารเขาทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะอาหารที่เราซื้อจากเขาอะมันไม่เหมือนที่เราทำเองไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนทั้งคุณภาพเนาะแล้วก็คุณภาพที่เป็นเรื่องรสชาติเรื่องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ คุณภาพของวัตถุดิบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำให้เราติดนะตรงเนี้ยสาคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนาะคนที่เขาทำเขาก็หวังให้เราติดนะอย่างเงี้ยติดเพราะอะไรเพราะว่าบางทีไอ้ความไม่จำเป็นมันก็จะกลายเป็นความจำเป็นถ้ามันติดขึ้นมาอย่างกับข้าวที่เราเคยทากันเองเนาะ เคยทำกันเองก็ทําก็ได้ทุกวันทุกวันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอเวลาที่เราซื้อมันไม่ใช่ติดแค่ความสะดวกเนาะที่ว่าซื้อเข้าอย่างเดียวแต่ว่าในนั้นมันก็มีส่วนที่ทําให้ติดหลายอย่างนะบางทีเขาก็แต่งกลิ่นให้เราติดบางทีเขาก็แต่งรถให้เราติดเนาะอย่างเนี้ยพวกเนี้ยเราทันรู้ไหมอย่างเนี้ยนะอย่างนั้ น, ะ น, นถ้าเกิดว่าเราทํากับข้าวของเราเองเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งรสอะไรลงไปให้มันเป็นเรื่องที่ เกินไปไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราก็พึ่งฝีมือของเราล้วนๆตรงนี้แหละแล้วก็ฝีมือของเราล้วนๆตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าได้เลี้ยงดูให้พวกเราเนี้ยได้แข็งแรงมีเลี้ยวแรงมีกำลังบังชากันมาตลอดนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเนียบางครั้งเราก็ไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะของสิ่งที่เรากาลังทาสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้ มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็วันหนึ่งเนาะก็เห็นเพื่อนบ้านเนาะที่อยู่ข้างๆบ้านสมัยนั้นก็ยังไม่ได้บวชนะมาอยู่ในที่อำเภอเทพสถิตนะเพื่อนบ้านเขาก็ย้ายเข้ามาเขามาอยู่ใกล้ก็เขาย้ายขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรเขาก็ย้ายเข้ามาด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านะ่ะมันเขาบอกบอกว่า เบือบ่อลูกเบื่อเบื่อลูกที่ว่าแบบว่าซื้อของกินกับรถพุ่มพวงอ่ะไม่หยุดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยปรากฏว่าบ้านตัวเองก็ขายของนะแต่แบบว่าพอขายไปขายมาขายไปขายมาเนี่ยมีหนี้อยู่สามหมื่นกว่าบาทนะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าหนี้เกิดจากอะไรเกิดจากไม่ใช่ลูก อย่างเดียวนะที่แบบว่ากินของในบ้านแล้วพอเวลาลดพุ่มพวงมาก็ไปซื้อกินอีกนะน่าเบื่อตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเกิดจากการที่แบบว่ามีการซื้อกันแล้วก็อาจจะมีการไม่ได้จ่ายตังค์กันบ้างอะไรบ้างแรงตานานาเหล่านี้อะไรเงี้ยก็ทำให้มีหนี้สินมากมายขึ้นมาก็เลยย้ายหนีนะย้ายหนีเข้ามาห่างๆจะได้ไม่ต้องเจอลดพุ่มพวงนะก็ปรากฏว่าตรงนั้นเขาก็มาอยู่ใกล้ๆเราก็ทันได้เห็นนะเออ วันหนึ่งไม่จริงๆก็ไม่ใช่วันหนึ่งอะวันแรกนั่นเลยอะที่เขาเข้ามาในบ้านที่เขาย้ายออกมาก็ไปช่วยเขาแบบว่าทำบ้านให้เสร็จเนาะก็เพื่อให้อยู่ได้ในวันนั้นปรากฏว่ามันก็เย็นแล้วนะ <P ay> พอเพลพเพลแล้วรา6โมงนะก็เห็นเด็กลูกสองคนเนี่ยนะเด็กเล็กเนาะห้าขวบคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็แบบว่าน่าจะสี่ขวบคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนก็ แบบทำท่าทางแบบว่าถึงเสื้อถึงผ้าแม่อยู่นะก็เห็ น, เ ห, นเห็นอยู่ไกลๆตาแต่ก็ไม่ทันได้ได้ยินอะไรนักเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เห็นเด็กแบบว่าแซาวซี่แซวซี่อยู่กับแม่สักเดียวหนึ่งก็ถูกแม่ตีตุกบตับเอาจน่ม่เด็กก็ร้องไห้ไปหลบๆตามเสาอยู่นะร้องไห้เงียบๆอยู่อย่างเงี้ยล้วก็เลยถามว่าปะน้อยอ เด็กเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยป้าน้อยก็บอกบอกว่าเขาก็กวนอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยขอตังค์กินทั้งวันไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยก็จะขอตังค์ไปซื้อของอีกไปซื้อขนมอีกอะไรเงี้ยมัน6โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาก็โมโหใส่ลูกไปอย่างเงี้ยนะอย่าง้ก็เลยถามบอกว่าเออป้าน้อยแบบว่าเขาจะเอาตังค์ไปไหนอะอะไรเงี้ยไปซื้อขนมอย่างเงี้ยถาม่เอป้าน้อยทาขนมเป็นไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอก ไอ้ที่เขาอยากกินนะทําไม่เป็นโมโหใส่เอาเราก็ถามดีๆนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้โมโหใส่เรานะแต่ก็ก็คงโมโหอยู่ในใจนะแล้วก็ไม่รู้จะระบายที่ไหนก็ระบายออกมาตามคําพูดอย่างนี้นะอย่างนันไอ้สิ่งที่เขาอยากกินคืออะไรใช่ไหมอย่างนั้นก็คือขนมกรุบกรอบที่เขาอยากกินําว่าขนมกรุบกรอบนะ่ะกินแล้วมันอิ่มไหมไม่อิ่มแล้วคะซื้อถุงหนึ่งอะ ใช่ไหมอย่างนั้นปริมาณอะ่ะมันก็น้อยเกินไปเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอย่างเนี้ยซื้อมาแล้วก็ยิ่งอยากกินอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณมันไม่พออิ่มนะไอสิ่งที่มันอยู่ในนั้นแต่งสีแต่งกลิ่นสารพัดอีกเด็กก็อยากกินอีกอยากกินอีกใช่ไหมฮะอย่างนั้นนั่นก็คือพวกขนมพวกเนี้ยเนาะที่แบบว่าเราซื้อให้ลูกหลานเราจะพบว่าขนมพวกเนี้ยกินไม่เคยอิ่มนะยิ่งกินยิ่งอยากยิ่งกินยิ่งอยากแบบเนี้ย นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราสังเกต ด, ดูนะก็ถามป้าน้อยนะเอ้าปแบบบ้าน้อยแบบว่าแล้วเวลาเราทำห่อข้าวต้มให้ลูกให้หลานล่ะเป็นยังไงเขาไม่กินเหรอกินแต่เห็นที่ไรก็เหลือทุกทีอย่างเงี้ยนะก็าถามอ้าวทำไมมันเหลือล่ะอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้สิเขาไม่กินกันมัน้งบอกอา้าวก็ไหนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขากิน <laughs> มันเป็นยังไงกล้วยหวี่หนึ่งใช่ไหยฮะ เราทำขอก็ต้มมามันจะกินหมดเหรอทั้งบ้านน่ะใช่ไหมฮะมันกินไม่หมดแร้มันเยอะแยะไปหมดของเราทำอะ่ะมันก็เต็มอิ่มนะช่มยก็เรียกว่าอิ่มจนเหลือเหลือแล้วเนี่ยเราก็รู้เนาะเราก็เอาแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกกินเองก็อิ่มยังให้ทานก็ได้อีกเนี้ยก็ถามเนาะบอกว่าเอ๊ะเราเคยสังเกตไหมนะว่าลูกหลานน่ะเขาขอตังค์ตอนไหนปน้อยก็บอก นี่แหละตอนเช้านี่แหละตอนเย็นนี่แหละกลับมาจากโรงเรียนก็ขอเลยอย่างเงี้ยนะขอแล้วก็ขออีกอย่างเงี้ยบางทีตอนเย็นก็ขอหลายครั้งอะไรเงี้ยนะตอนเช้าก็ขอเยอะๆอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วเราขอไปทำอะไรอะไรเงี้ยนะโรงเรียนมีข้าวกินไหมมีนั้นก็ขอไปกินขนมกันอะไรเงี้ยเลยบอกว่าเออนี่ป้าน้อยทําขนมให้ลูกไปโรงเรียนได้ไหม อ, อะไรเงี้ย <อ es. S 1> ก็ไม่รอให้เขาตอบนะบอกว่าเนี่ยตอนเช้าเนาะ เราก็เวลาทํากับข้าวเนี่ยก็เผาเผือกเผามันนะ่ะใส่ใต้เตาไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอเวลาที่ลูกเป็นเรียนก็ไม่ต้องรอให้เขาขอตังค์นะแบบว่าเอาเผือกเอามันอย่างเงี้ยเนาะใส่ไปกล้วยแขบทําเป็นไหมเป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยเริ่มทําเป็นแล้วนะกล้วยบุญชีทําเป็นไหมเป็นใช่ไหมอย่างงี้ยกล้วยต้มทําเป็นไหมอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นไหมจากกล้วยอย่างเดียวนะก็ทําได้หลายๆอย่างใช่ไหมฮะอย่างงี้ย นอกจากกล้วนยังมีอะไรอีกมีเผือกมีมันสารพัดนะฮะมะพร้าวมะพร้าวก็มีใช่ไหมฮะอยู่กันตามต้นเงนี้ยจริงๆแล้วไอ้ที่เป็นนะก็เป็นกันเยอะแยะใช่ไหมก็บอกว่า อ, อ้าวนายไหนเห็นบอกไม่เป็นบอกก็เออก็เป็นนะของพวกเนี้ยถามว่าเป็นจากไหนเป็นจากตอนทํางานบุญงานบุญเขาก็ทําของพวกนี้กันทํามาแต่เล็กป้าน้อยเนะ่ยเขาจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือลักษณะที่เขาอะ แบบว่าอ่านหนังสือไม่ออกนะอ่านหนังสือไม่ออกเรียนได้แค่ปอสองนะแล้วก็ป่วยป่วยก็ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ก็ไม่มีความรูก้ก็มีมีความรู้สึกมีปมด้อยนะอย่างเงี้ยลูกก็บอกบอกว่าแกนักโง่เพราะว่าสอนหนังสือลูกไม่ได้อย่างเงี้ย เนี่ก็มีความรู้สึกว่าก็อึดอัดขัดข้องกับลูกอยู่นะตรงนี้แล้วก็รุ่มีก่อนรู้สึกว่ามีความเป็นแม่เนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าสอนลูกบวกเลขไม่ได้สอนลูกภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกเป็นปมด้อยของแกอยู่ก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนั้นเนาะเราก็บอกบอกว่าเออนี่ป้าน้อยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอย่ารอให้ลูกขอตังค์นะแบบว่าเราเนี่ย แบบตอนเช้าเนี่ยเนาะหาของให้ลูกไปกินที่โรงเรียนเนาะเป็นขนมเนี่ยหาเลยเนาะทำเองอย่างเงี้ยตอนเย็นเนาะก่อนลูกกลับมาเนี่ยขนมต้องเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะรอกขาเลยพอมาถึงก็เอาให้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นนั้นทั้นคืนเนี่ยเราลองทาแบบนี้ดูเนี่ยแล้วเราจะไม่ทะเลาะกับลูกอีกเรื่องการขอตังค์เนี่ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะป้าน้อยก็บอกทาได้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะป้าน้อยก็ทาแบบเนี้ยตลอดนะ แกก็มีความรู้เหมือนเหมือนพวกเรานี่แหละมีความรู้เรื่องกันทําขนมกระเหนิมเยอะๆไปหมดใช่ไหมฮะดัดแปลงไอ้นู่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าก็ผ่านไปปีหนึ่งอืมก็เห็นภาพเดิมนะลูกก็เกาะแข้งเกาขาแซวซีอยู่เหมือนเดิมนี่แหละอะไรเงี้ยก็ถามลูกเขาแซวซีเรื่องอะไรอ่ะจะเป็นอย่างนั้นก็ถามก็นอนบอกว่าเนี่ย เขาก็มองแง่จะให้ทําขนมให้กินอย่างนี้ก็เสียงก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งมันก็ถามเด็กนะถามเด็กบอกว่าขนมที่แม่ก็ทําให้กินอร่อยไหมลูกก็บอกอร่อยถามว่าขนมที่แม่ก็ทําให้กินอร่อยกว่าของที่โรงเรียนไหมลูกก็บอกดีกว่าอย่างนี้นะก็ถามว่าเอ๊ะแม่คนอื่นเนี่ยเขาทำขนมให้ลูกกินหรือเปล่าบอกไม่อ่ะ บอกแม่เราเก่งไหมเก่งไหมก็ต้องเก่งเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าหากว่ามันจะวัดกันทำความรู้เรื่องบวกเลขคูณเลขอะไรเงี้ยเนาะมันคงวัดกันไม่ได้แต่ว่าพอเวลาที่ลูกอะใช่ไหมแบบว่านึก เขาเรียกว่าพูดคาว่าแม่เก่งขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรก็ได้เห็นนะเขาเรียกว่าได้เห็นสิ่งที่แม่เนี่ยได้ทำให้มันเป็นเรื่องของกรอิ่มใจกันมันเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยไอ้ความเก่งตรงเนี้ยมันจะเป็นความเก่งที่มันฝังลงไปอยู่ในใจนะอย่างเี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยไอ้แค่ทากับข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันทาให้ชีวิตดีขึ้นอย่างนี้หละ ใช่ไหมฮะอย่างนั้นแล้วก็ตรงนี้อะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ให้ครอบครัวเนี่ยได้เห็นนะว่าโอ้นี่แม่เราเก่งนะกระตันยูกับแม่หรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันมากกว่านั้นนะเพราะว่าพอเวลาที่มาบวชเนี่ยใช่ไหมฮะก็ลูกหลานบ้านเนี่ยก็พ่อแม่ก็ก็พามาเยี่ยมที่บ้าอย่างเงี้ย ลูกคนโตเขาก็โตแล้วเป็นลูกชายเนาะก็โตพอสมควรแล้วก็ถามๆเนะาะเดี๋ยวนี้แม่ก็ยังทําขนมให้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ เ, เด็กจะตอบว่าไงตอบว่าไม่ได้ทําให้กินแล้วละ่ะก็ทำท่าอายๆไปบอกอ้าวแล้วงั้นเราทําไงอะ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ทําเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ อ, อา้าวทำเป็นหรอก็บอกว่าพอได้ครับ ไรอย่งเขาก็บอกอย่างเงี้ย น, นะถามว่าเอเราทำแล้วแบ่งน้องบ้างไหยแบ่งครับอะไรอย่างงี้ยนะบอกว่าเอดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็ยังบอกว่าบางทีก็ยังทําไปขายที่โรงเรียนครับอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตรงเนี้ยคือเรื่องเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทํากินไปวันๆเนาะแต่ ว, ว่าเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่สอนไปในตัวน่ะ เรานะไม่ต้องไปนั่งเอา้ามาเรียนที่นี่มาเรียนที่เวลานี้นะเวลานี้จะสอนทําขนมไม่นั่นทำขนมนี่ไม่ต้องไม่ใช่เพราะว่านั่นคือเวลาที่ลูกกลับมาบ้านเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นถ้าแม่ทํำไม่เสร็จเนี่ยไอ้ความอยากกินของลูกแม่จะลูกจะต้องทําไงก็ต้องไปช่วยแม่เนาะเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปลูกก็กลายเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมฮะทำเป็น พึ่งตัวเองเป็นอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกแม่เนี่ยก็ได้สอนเนาะผ่านเรื่องการกินกันอยู่เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่าพวกเราอ่ะก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของชีวิตแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นว่าเอ้เอเอการที่มีชีวิตแบบนี้มันจะก่อประโยชน์อะไรยังไง การที่เรามีชีวิตชาวบ้านไปวันวันหนึ่งแบบนี้มันจะเป็นยังไงะอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่สอนเรื่องการกินสอนเรื่องการอยู่แต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันสอนเรื่องการพึ่งตัวเองเนาะพึ่งตัวเองทางกายพึ่งตัวเองทางใจสอนการรู้จักที่รู้จักพอรู้จักให้สิ่งต่ๆๆนางนๆนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เราพาเอาธรรมะเข้าบ้านเนาะแล้วเราก็ คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าพวกเราเนี่ยได้ทันเนาะก็เรียกว่าได้ทันที่จะเอาธรรมะเข้าไปนอกเหนือจากเข้าบ้านแล้วเนี่ยเราก็เอาธรรมะเนี่ยใช้กับตัวเราไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันหนักใจหนักใจเนี่ยที่เราเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษเนี่ยตร ง, น เ, รงเนี้ยเราก็หวางซะเนาะคิดขึ้นได้เนาะแบบว่าแบบว่าทันเห็นว่าเราเนาะเพิ่มความหนักใจเข้ามาในภาระที่เรากาลังทาอยู่ เรื่องการกินกันอยู่เราก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอเราเพิ่มมาไม่รู้จะต้องมานั่งทำทาไมอะไรต่างๆนา น, นาเหล่านี้ของพวกนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่คิดไปก็ปรู้ว่าคิดก็วางซะวางซะในการกลับมาตั้งใจทำใหม่เพราะว่าสิ่งที่เราทำให้ดูอยู่ให้เห็นพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่จะดีที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนียถ้าเราเพิ่มเนาะก็เรียกว่า ความอยากก็ไาไอยากให้เขาเห็นเนาะอยากที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอยากที่จะให้เขาตอบแทนสิ่งตรงเนี้ยไอ้ความอยากตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราอะ่ะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยทําไปเลยเนาะทำไปเลยนะไอ้ความเป็นแม่ของเราเนี่ยไอ้การที่เราเนี่ยจะแบบว่าเลี้ยงดูเขาให้เขาโตขึ้นมาด้วยการมีธรรมก็จะเป็นการ ทำให้ดูอยู่ให้เห็นตรงนี้แล้วเราเองเราก็จะเหมือนกับได้พัฒนาเนาะได้เพิ่มธรรมะในตัวเราเนี่ยด้วยการที่เราปฏิบัติธรรมกับตัวเราด้วยเอาธรรมะเข้าบ้านด้วยก็ให้ทุกคนเนาะได้ทำแบบนี้ได้เขาเรียกว่าทำตามครูบาอาจารย์แล้วก็ความสงบล่มเย็น ก็จะเป็นของพวกเราทุกคนก็กลับพระพร้อมกันรังส ม, มาสัมพุทธโทธพกวาพุทธังพกวันตังอธิวาเทนสวาคาโตพกวัตต า, ามโม ธรรมนามาสามสุปฏิปันโนภาคาวะตัวสบากัสังโคสังทานาม